มีความสุขกันทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์อากาศก็แจ่มใสดีฝนฝ้าก็คงจะคลายลงไปได้สักหน่อยหนึ่งทุกคนก็มีความสุขมาทำบุญถาวายทานกัน <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมารู้กายสังเกตกายสังเกตใจของตัวเราแล้วหรือยังก่อนที่จะมาวัดตื่นขึ้นให้เรียบรู้กายรู้ใจของตัวเราอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรสติปัญญาพากายมาวัดให้ใจรับรู้ ต้องแยกให้ได้สติอยู่ส่วนบนส่วนสมองใจนั้นอยู่กลางใจ <c oughs> หัดสังเกตหัดวิเคราะห์ตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้ลมหายใจรู้ความปกติของใจพอรู้ตัวปุ๊บจิเลตมันจะสั่งบ่ขออีกหน่อยนะบอกว่างั้น มันยังไม่สว่างเพียงแค่ตีห้าตีสีตีห้าเองนะมือควา้าพะหมปุ๊บมาคุมโป่งต่อขออีกหน่อยเ่าเงนินกิเลสมันบอกพออีกหน่อยเนี่ยสว่างโลเลยชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมท่านเจ้าขุดเป็นอย่างงั้นติดอีกหน่อย ได้ยินเสียงระคังได้ยินเสียงระคังแล้วก็ยกผ้าห่มออกจากหัวยกมือสาธุพอหมดเสียงระคังแล้วก็คุมปุ่งโตบางทีก็ตั้งนาฬิกาเอาไว้จะปลุกเวลาโน้นปุกเวลา น, น, ลานี้พอนาฬิกาปุกกิ้งกริงกริงร๊ ง, งยังไม่พอนะ เกืออเมื่อไปกดนาฬิกาปิดนอนต่องในละความเจ็ดครั้นเราต้องพยายามกระตุนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราความขยันมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลความรับผิดชอบจิตใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนฝักไฝ่ในบุญเราหัดสังเกตวิเคราะห์ อยู่ตลอดเวลาอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาใจของทุกคนนั้นเขปรารถนาอยากจะได้โบนอยากจะถึงความดับทุกอยากจะเข้าถึงความหลุดพ้นทุกกันทุกคนแต่การสนใจการฝักใฝ่กา ร, การทําความเข้าใจเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็ยังไม่ให้เต็มเปี่ยมสมมุติคือความเป็นอยู่ ในระดับของสมมุติในปัจเจกศีลไม่ให้ลำบากถ้าปัจเจกศีลลำบากก็ส่งผลถึงใจจิตใจด้วยเราก็ต้องพยายามมีความเพียรการกระทําของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ให้ได้ทั้งรับภายในซับภายนอกรู้จักหารู้จักใช้ประหยัดมัธยัตรู้จักแก้ไขตัวเรา อยู่ตลอดเวลาจากนน้อยไปหามากๆเดี๋ยวก็เต็มเปี่ยมจิตใจของทุกดวงนี่ก็ปรารถนาอยากจะได้บุญอยากทำบุญอยากได้บุญแต่ละวันแต่ละวันค่อยสร้างสะสมบุญค่อยสร้างสะสมคุณงามความดีมีความละอายเกรงขัวต่อบากแล้วก็ทำในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อยู่ในโลกปัจจุบันทุกเรื่องเด้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจักที่นี่ก่อนจะเข้าห้องส้วมห้องน้ําก่อนจะทํากับข้าวกับปลาใจปกตอิอยู่หรือไม่ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจได้อย่างไร สติปัญญาดำเนินพากายไปใจรับรู้มีความรับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุได้ผลส่วนมากก็จะปล่อยเลยตามเลยไม่ค่อยจะสนใจคิดก็คิดไปเลยทำก็ทำไปเลยรู้คิดก็รู้ทำก็รู้ก็หลงอยู่ในความรู้ทั้งก่อนนั่นแหละพอาขาดการจำแนกแจกแจง อยู่กันคนละทิศระที่ก็มาอยู่ร่วมกันบางคนก็ได้กำไรชีวิตเดินถึงจุดหมายปลายทางจ ต, ต่ยังมีกำลังบางคนก็เดินอยู่เดินสปัดสเป๋บางคนก็เดินตรงบางคนก็เดินเผวไปเผมาตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบเอาไว้ตั้งนาน การเจริญพมพิหารการสร้างบา ร, ร ม, มีการขัดเก่ากิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรกายของเราทำหน้าที่อย่างไรอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนา ม, มส่วนนามนั้นมีอยู่สี่ส่วนส่วนรูปนั้นมีอยู่หนึ่งส่วนกายของเรานีนก้อนรูปส่วนจิตวิญญาณความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นส่วนนาม ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนั้นเราก็ต้องหัดสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจนเอาไปใช้การใช้งานได้จนมีกําลังเอาไปอบรมใจของเราได้จนใจของเราคลายออกจากขันห้าได้ซึ่งเรา่าแยกรูปแยกนามของมีอยู่สัจธรรมความจริงอันประเสริฐมีอยู่ในกายทุกคน เนี้นจะแต่ว่ากำลังสติปัญญาบรารมีของเราจะเข้าถึงตรงนั้นหรือไม่เท่านั้นเองของมีอยู่ของเก่าของเดิมนั่นแหละ ใจเดิมนั้นสะอาดความไม่รู้ความหลงทําให้เขาหลงเกิดหลงเกิดยังไม่พอก็ยังมาสร้างสะสมกิเลสเขาเ้าไปหมักหมมอีก mm hmm. เขามาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเขาเอาไว้นแล้วเขาก็มาสร้างกิเลสปิดกั้นตัวเขาเอาไว้แล้วก็มาเกิดความเกิดนั่นก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หลายชั้นนะหลายชั้นจริง ถาบุคคลมีกําลังเทติปัญญาที่แหลมคมเร็วไวชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเ ห, เห็นผลจนใจคลายออกตามดูโล่เห็นตามความเป็นจริงจนใจยอมยกทงขาวยอมแพ้จริงๆนั่นแหละเขาถึงจะยอมได้ส่วนมากก็ตามอำเภอใจนี่มันอยากอะไรก็สนองให้มันเลยมันก็ค่อยสร้างสะสมกิเลสใจหลอกใจจิตหลอกจิต ขันห่าหลอกจิตสติปัญญาหลอกตัวเองหลายชั้นหลายชั้นพอความเป็นกลางความว่างไม่เข้าข้างตัวเองตรงนั้นเรายังไม่เจออย่าไปปิดกันตัวเราเองจงเปิดโอกาสเปิด อ, อ, อ, อ, อ, อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งสะได้เวลาทุกลมหายใจเข้าออกก็มีคุณค่าอย่านั่งปล่อยลมหายใจทิ้ง หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะทำอะไรก็ให้ใจรับรู้ผิดถูกชั่วดีปัญญาไปแก่ไขเราเกิดมาเรามาเพื่อที่จะมาสังจิตใจของเราให้เข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็กลับคืนสู่สถานะเดิมคือการไม่กลับมาเกิดเราหลงเกิดมานาน หลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันนั้นนั้นพระพุทธองค์ทันว่าอย่าเพิ่งไปตามพุ่งเท้ามันเอาอยู่ปัจจุบันขณะในพบมนุษย์นี่แหละให้มันได้อย่ันห้ามีอะไรว่างมีอะไรบ้า ง, างตัววิญญาณเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณในขันห้าการแยกการคลายเป็นอย่างไรเราต้องดูการสร้างบุญสร้างบรารมีนี่เราต้องสร้าง หลพอขอขอบใจทุกคนญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเป็นบริษัททั้งโรงงานมาส่งบริบาลมาร่วมมาช่วยกันทั้งพระทั้งฉีก็ช่วยกันอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปุณน์อันยิ่งใหญ่หลายอย่างเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอย่างทั้งสร้างมหาเจดีย์ อันเชิญพระบรมสาริกธาตุมาปฏิจจ า, านร่วมกันช่วยกันอย่างประโยชน์ฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางแล้วก็มีงานเจอบผุดขึ้นมาอีกงานสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนอนุบาลหอประชมุมตอนนี้กำลังถมที่อยู่ ใครจะเสร็จวันนี้แหละถมที่ทั้งสมบ่อถมสะปรับที่ให้กว้างขวางทางโรงเรียนท่านก็อนุญาต mm hmm. เห็นว่ามันขับแคบลำบากของเด็ก mm hmm. ก็เลยจะขอย้ายห้องสมุดเก่าห้องประชุมเก่าไปไว้ข้างหลังจะมาช่วยกันทำแล้วก็จะได้ยังอป้อมตำรวจ มาทำป้อมตำรวจมาไว้ในโรงเรียนด้วยจะเอาอะไรนะตนู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเอาไว้ทำให้เมืทให้เป็นป้อมตำรวจตำรวจจะได้มาพักมาอาศัยคอยช่วยดูแลทางโรงเรียนทางวัดเอาไว้มา ใ, ให้ลำบากกับมอเยอะ ขโมยมาขโมยในวัดทุกวันขึ้นกุฏหลังโน้นขึ้นกุฏหลังนี่แทบทุกวันแทบทุกวันขโมยเขาก็ตั้งใจมาขโมยเป็นวิบากกรรมของเขาเราก็ดูแลรักษาทรัพย์ของเรามันอยากได้ก็ให้มันเอาไปเสียกฎหมายลงโทษไม่ได้ก็กรรมก็จะลงโทษเอา เข้ามวยทุกวันทางในสวนมะลิวันขุดรัังไหนกระทอบลงไหนมันก็ไปข้นหมดขุดคลองหลวงปู่หลวงตา ม, มก็ไปค้นหมดมเจ้าคุณนอนหลับอยู่ระวังมันมายกไปนะอนอนหลับไม่รู้เรื่องอไม่ยกจะเจ้าคุณออกนอกวัดนะอีกสักหน่อยก็ตายจากกันหรอกัน <c oughs> มันไป่ตายก่อนเราก็ตายก่อน ความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเนมาล้พอล ง, ว, ลอ ง, อ ง, ลงวันละสองสองหลงวันละสองศพวันละศพสองครบที่ละวันแต่ละวันเจ้าเว้นก็เว้นแค่วันเดียวเดือนที่ผ่านมานั้นจกเข้าไปยี่สามยสี่ศพเดือนนี้ก็ 2, สองสามศพแหละที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยก่อนละสองวันละหนึ่ง อยมีโอกาสอยากจะมาร่วมทำชาวปนากิจสงเคราะห์มาอยากจะมาซื้อโรงศพปากเอาไว้ก็มาได้มาได้ผ่าไตจีวร <c oughs> <c oughs> เงินช่วยทำศพให้อีกศพละหาพันทุกศพตายได้ครั้งเดียวเราอนุเคราะห์ให้เป็นบุญที่ตั้งเอาไว้ตายแล้วก็มารับอโรง ให้ทุกคนให้ทุกศพเดี๋ยวนี้ก็ได้หมดไปทั้งหมดหกรอยี่สบกว่ามั้งคือหกยี่สิบกว่าศพแหละก็ลงแหละจ <c oughs> ิได้ให้ไปมีโอกาสเราเอาทุกอย่างทำบุญทุกอย่างให้ทุกอย่างจนกว่าจะได้ผัดผากจากกัน ไม่ได้ผัดผากจากกันจนเป็นก็ต้องได้ผัดผักจากกันจนตายอันนี้เป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงวันที่14เสี่พฤศจิกายนวันที่13บสนอพฤศจิกายนกันทบุญทอดถวายพระมหากฐินซึ่งได้มีท่านผู้ใจบุญทางกรุงเทพนั่นแหละทางกรุงเทพทาง อ, อุ ท, ทยัยท่านได้เปรียญาตั้ง เป็นเจ้าภาพกัินไว้หลายปีแล้วแหละปีสองปีตั้งแต่ก่อนปีน้ำท่วมไม่ได้ทาน้ำท่วมบ้านใหญ่ก็เลยเลื่อนมาทางนี้คุณพ่อกำพลคุณแม่อับซ้อนท่านได้มีเจตนาทั้งบุตรหลานได้มาร่วมกันปักกตินที่จะมาจอดถวายที่วัดเรา วันที่13พฤศจิกายนอยาโจยมท่านในปรารถนาอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีมาร่วมกันเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นคองทุนสร้างองค์มหาเจดีย์ใหญ่ก็ขอเชิญ น, นะหลายคนหลายท่านก็ปรารถนาไอ้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมก็แจงมาหลายคน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีโอกาสทําให้รีบทำไม่ว่าอยู่ที่บ้านที่ทําการทํางานโอกาสเปิดการเวลาเปิดเรามีโอกาสได้ทําฝากไว้ให้เป็นสมบัติของสนรวมให้เป็นสมบัติของชนกลา ง, งบุญมากบุญน้อยอย่างการจัดตั้งองค์มหาเจดีย์ใหญ่ในอัญเชิญ จะได้ทำแกะสลักหินหยกขาวใหญให่เอาไว้ในองมหาเจดีย์เห็นว่าหินหยกขาวก็จะมาจากประเทศอิตาลีประมาณวันที่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้คงมาถึงวัดไม่เกินเดือนสิ้นเดือนนี้คงจะมาถึงวัดช่างก็จะได้มาค่อยแกะค่อยขัดค่อยเกาถึงเวลาก็จะได้อัญเชิญ ข, ขึ้นมหาเจดีย์ ก็บอกกล่าวพี่น้องเราใครมีโอกาสก็มาร่วมกันใครไม่ได้มาก็น้อมใจเข้ามาฝากทุนทรัพย์มาช่วยก็เย อ, อะการกระทำมีการหลงมือมีถึงเวลาก็สำเร็จรุ่ร่วงฝากเอาไว้ในแผ่นดินไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่ง เป็นสมบัติของชนกลางเป็นสมบัติของชนรวมพวกเรามีโอกาสมากถึงได้ทำ เคยทำมาก่อนเคยสร้างร่วมกันมาก่อนถึงไดมาร่วมกันมาช่วยกันส่วนการขัดเากาวีเลศภายในเราก็พยายามแก้ไขตลอดเวลาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเช่าใดเวลาซับภายในก็สร้างซับข้างในก็ละขัดเกา่าทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์ถึงเวลาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันอาตมใจละพรกันขอใหทุกคนทุกท่านจงเจริญสติส้างความรู้สึกรับรู้สัมผัส ต้อลมหายใจคงเราให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็ให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยเสียงก็สักแต่ว่าเสียงแล้วก็น้อมสำเนียกหลงสูุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาว อย่าไปบีบลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจให้หายใจแบบธรรมชาติหายใจยาวๆให้ละเอียดแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆเวลาเราสูดลมหายใจยาวๆความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกของเรานั่นแหละท่านเรียกว่าความรู้ตัว จะลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงทนเร็วสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าความรู้สึกของเราพังเผยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ให้ปฏิบติปะตะกันจนจากหนึ่งนาทีเป็นสงนาทีเป็นสามเป็นห้าเป็นสบเป็นยี่สิบเป็นชั่วโมง จนความรู้ตัวต่อเนื่องเชื่อมโยงเราถึงจะรู้ว่าแต่ก่อนสติตัวนี้เราไม่มีเลยถึงมีก็มีแค่กระท่อนกระแท่นเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้ทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญ ใจของเราอยากจะได้บุญบางครั้งบางคราวนี้บุญนี่จนเต็มเปรียมจนล้นเลยก็มีแต่ขาดกำลังสติเข้าไปดูเข้าไปรู้ว่าใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่หลงคันห้าหลงความคิดความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิด อาการซึ่งเรียกว่าอาการองค์ขันธ์หพูดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมไปด้วยกันนั่นแหละทำให้เกิดอัตราโดดนเป็นนี่แหละที่ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดถ้าใจคลายออกจากความคิดใจเหมือนกับงายของที่ควม่มใจก็ว่างกายก็เบาความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละตามเห็นการเกิดการดับของความคิด เห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งอยู่ในกายคงเหาว่าเป็นเรื่องอะไรนี่แหละกำลังสติที่เราสร้างขึ้นมาเนีนเ่เข้าไปไม่ถึงตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ก็เลยมีตั้งแต่ความคิดเก่าซึ่งเขาเกิดอยู่แล้วเขามีมาตั้งแต่เดิมบางทีก็ถูกบางผิดบางแต่ในภาพรวมเขายังหลงอยู่ถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดเขามาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็มา บ่งแต่งทรงออกไปภายนอกอกีกจะเป็นธาตุของกิเลสอีกกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจหลายชั้นนะไม่ใช่ว่ามีแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวเพียงแค่การเกิดของจิตวิญญาณหรือความคิดนั้นก็ก็หลงแล้วในส่วนลึกๆเขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดก็หลงมาสร้างขันห้ามาสร้างภพมนุษย์ ปิดกั้นตัวเราเองท่านถึงให้เจริญสติเข้าไปคลายขันห้าให้ได้ซึ่งเรียก ว, ว่าท่าน ว, ว่าให้รอบรู้ในวิญญาณในกองสังขารให้รอบรู้ขันห้าของตัวเองให้รอบรู้ในโล ก, กธรรมตื่นขึ้นมาแล้วรีบดูรีบแก้ไขจากในน้ยไปหามากมากบางคนบางท่านก็แก้ไขในระดับองสมมติได้สมบูรณ์ไป บางคนบางท่านก็แก้ไขทั้งภายในทั้งภายนอกได้ควบคู่กันหรือมันได้ได้ชิงหนึ่งเสียริงหนึ่ง ได้จึงหนึ่งเสียจึงหนึ่งเราก็ต้องพยายามแก้ไขให้ได้ทั้งสองทางให้สมดุลกันทั้งภ า, ายในทั้งภายในอซับภายในเป็นอย่างงี้ซับภายนอกเป็นอย่างงี้ต่างฝ่ายต่างก็เกื้อหนุนกันอยู่ก็ต้องพยายามอย่าทิ้งในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปทอดถอยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่สักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้อง ถึงเร็วคำสอนแนวทางนั้นมีมาทั้งนานแล้วแหละพวกเราพยายามยังออสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้พร่ำสอนให้ปากฏขึ้นที่ใจของเราหมดความสงสัยหมดความลังเลเออสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันเอาสร้างความรู้ตัวให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะอะพากันไป พ, พร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรโตทาความเข้าใจกัน